หกปัญญาที่เป็นโรคุตตละแท้สร้างประชาธิปไตยได้แท้ซึ่งประดาคนที่ยังเข้าใจไม่ได้ก็ยังยากที่เขาจะเชื่อกันว่าโรคุตระธรรมนี่แหละที่เป็นความจริงยิ่งที่สุดที่สามารถพาคนเข้าสู่ความเป็นประชาธิประทายปลดแอกได้จริง มีอิสระเสรีภาพแท้จริงเพราะมวลคนที่มีโรคุตรธรรมยังมีน้อยแม้จะมียืนยันพิสูตรให้เห็นบ้างแล้วก็ตามและต้องยืนยาวนานพอด้วยจึงต้องมาช่วยกันศึกษาและฝึกฝนตนให้เป็นโรคุตระบุคคลกันให้มากๆให้เพียงพอ เรื่องจริงที่โลกุตลธรรมสามารถพิสูจน์ความจริงได้ท่ามกลางโลกประชาธิปไตยแม้ในปัจจุบันนี้ก็คือความอิสระเสรีภาพแท้ที่ความเป็นตนเองมีอิสระเองแต่สมัครใจเองเข้ามาอยู่ในหมู่ให้หมู่กำกับมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันไปกับหมู่ ตามความรู้อันสำ ม, มาทิฐิของตนและเท่าที่คุณนาวิเศษของตนเองแต่ละคนมีเรายอมอยู่กับหมู่ซึ่งเราจะอยู่หรือจะออกไปจากหมู่เมื่อใดก็ได้ไม่มีใครมายุ่งกับอิสระเสรีภาพของเราเลยแต่เราก็มอบอิสรภาพของเราให้แก่มหมู่ดังกล่าวแล้ว นี้คือความเป็นประชาธิปไตยให้หมู่เป็นใหญ่มิใช่เอาตนเป็นใหญ่ที่เป็นจริงพิสูจน์ได้ในสังคมคนที่เป็นโรคุตระซึ่งเกิดจากปัญญาของตนที่เป็นโรคุตระแท้ด้วยความสังวรอยู่จริงดำเนินตามโพธิปักขียะธรรม37อยู่จริง จึงเป็นองค์รวมของคุณวิเศษที่เป็นเอกภาพเอกีภาวะเป็นคุณธรรมสำคัญยืนยันทั้งความเป็นอิสระทั้งความเป็นประชาธิปไตยทั้งความเป็นผู้ภาคเพียรที่จะไม่ให้มีตนเองมีอัตตาหรือมีตนของตนเข้าไปเป็นคนเผด็จการ จะสำนึกสังบอลตนไม่ให้ความเป็นตนเข้าไปเป็นใหญ่กว่าความเป็นหมู่อยู่เสมอจนกว่าจะหมดตัวตนที่เป็นปรมัตารหมู่ใหญ่หรือมวลประชาชนจึงเป็นใหญ่กว่าเราอยู่จริงนี้แลคือประชาธิปไตยที่เป็นจริงพิสูจน์ได้เป็นสวาขาโต